วิ่งหนีออกจากตัวเองดิ้นรนขนขวาเ พ, เพื่อที่จะไปอยู่กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองและนี้แหละนะ่เป็นที่มาของความทุกข์ของผู้ค น, นมีนักปราชญ์าวฝรั่งเศส ค, คนหนึ่งผู้ไว้หน้าสนใจบอกว่ า, วาปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของมนุษย์เนี่ยมันก็เริ่มต้นหรือเกิดขึ้นมาจากการที่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 ความทุกข์ที่สำคัญคืออยู่กับตัวเองไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนแสยๆออกไปเพื่อี่อีันี้จากตัวเองทั้งๆที่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นทุกข์แต่ก็หักห้ามใจไม่ได้คนเรานี่จะมีความสุขได้ง่ายมากเลยแล้จะมีความสุขอย่างอย่ลึกซึ้งนะถ้าเกิดว่าสามารถจะกลับมาเป็นมิกับตัวเองได้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 คนผ่านปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนกับเหมือนดังกับเป็นศัตรูนะคนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนดังกับเป็นศัตรูก็คือทําร้ายตัวเองเพียงแค่กินเหล้าเมายาไม่มีศีข้อห้านี้ก็มันทำร้ายตัวเองนี่มากมายหลายประการแล้วทั้งทําลายสุขภาพตัวเอง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 เพื่อจะทําให้ความจิตใจนมันจมในความเศร้ามากขึ้นเหมือนกับว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่เขาหวงแห น, นทั้งทีนั่นแหละคืออันตรายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทํากับตัวมือนกับเป็นศัตรูเหมือนกันนะเพราะพอเศร้ามากๆนี่ก็กลายเป็นซึมเศร้าไปซึมเศร้ามากๆค่าตัวตายอย่างนักแสดงชื่อดังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วความโกรธเช่นเดียวกันเมื่อโกรธมากๆนี่เป็นไง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 เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าสิ่งรอบตัวนะมันจ ะ, ะไม่เป็นใจกับเรไม่เป็นใจกับเราก็ตามแต่ถ้าเราสร้าง ส, างสางันติกับตัวเองได้เป็นิตกับตัวเองได้นะก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยโลกมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับใจเราไม่น้อยทีเดียวถ้าใจเราทุกข์ใจเราเศร้า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 ตื่ขึ้นมาเธอก็ออกกําลังกายในห้องนั้นแหละขณะที่ออกกำลังกายเธอก็มองออกไปนอกหน้าต่างก็ไปเห็นบ้านตรงข้ามเห็นเสื้อผ้าที่เขาเพิ่งซักเสร็จแล้วมาตากเอาไว้เธอก็พบกับสามีที่กําลังนอนอยู่ในเตียงแล้ววันนี้แปลงหน้าบ้านนี้ผ้าปูที่นอนก็ดีหมอนก็ดีนะผ้าหม่ม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 แต่พอมอไปนอนหน้าต่างก็เห็นเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้บ้านตรงข้ามนี่คราวนี้มันสะอาดละทั้งผ้าปูที่นอนทั้งหมอนทั้งเสื้อผ้าทั้งผ้าเช็ดตัวแปลกใจก็เลยถามสามีว่าเนี่ยนี่เธอไปบอกบ้านตรงข้ามหรือเปล่านะว่าที่ผ่านมาพออย่างก่อนนี้เขาซักไม่สะอาดเนี่ยสามีก็พูดมาจากในบนเตียงนั่นแหละป้องเปล่า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 นะและบางทีเราจะพบว่าอ๋อที่จริงนะมันเป็นเพราะว่ากระจกของแห่งใจเราเนี่ย ม, มันมันมัวต่างหากเราก็เลยสําคัญผิดไปวา่าใครต่อใครไม่ดีอย่างน้ไม่ดีอย่างนี้ทแท้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะดีแต่ใจของเราต่างหากเนีะที่มันขุดมวัวถึงตอนนั้นแหละนะั่นที่เราจะเห็นความสําคัญของการที่จะมาเช็ดจ่ายร้อยสะอาด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 ก่อนมาปฏิบัตินี่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีอย่า ง, งวนวลดีอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติเห็นความไม่นั้นละของตัวเองหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนมองไม่เห็นเพราะว่ามองออกไปนอกตัวตลอดนะเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมามองตัวเองนะกลับมาดูใจของเรามันก็จะเห็นว่าให้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแท้จริงแล้วก็มันมีสาเหตุมีมูลมาจากใจของเรานั่นเอง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 อ่าอย่างแท้จริงอาแล้วคำนี้ก็พูดกันทอนนี้นะกราบพระ